ทั่วโลกถือเอาวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันเสียตัวผู้คนยึดถือสืบสืบกันมาและแพร่ลามไปเรื่อยว่าเป็นวันที่ต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางเพศวันแห่งความรักถ้าไม่สร้างเหตุแห่งความรักมีแต่ก่อเรื่องอันเป็นผลของความใคร่ก็น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นวันแห่งความใคร่ให้ชัดขึ้น มองให้ลึกแล้วจะรู้ในวันสําคัญทางความรักถ้าเราเห็นอะไรสําคัญสําหรับความรักความรักของเราจะถูครอบงำด้วยสิ่งนั้นเช่นถ้าเห็นกามราคะสําคัญความรักของคุณก็ถูกครอบงำด้วยกามราคะและให้ความรู้สึกว่าสุดทางความรักต้องมาถึงที่ตรงนี้เท่านั้น ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือความรักที่เห็นการมราคะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเป็นความรักที่มีอายุสั้นเพราะถ้าราคะดึงดูดเรามาหาคนหนึ่งได้แรงๆก็ผลักเราแรงๆไปหาอีกคนหนึ่งได้เช่นกันถ้าหากได้ทำบุญด้วยกันในวันนี้ก็เท่ากับใช้วันแห่งความรักเสริมสร้างความผูกพันดีๆทางใจ แต่ถ้าไปสนุกทางเพศด้วยกันในวันนี้ก็เท่ากับใช้วันแห่งความรักไปสร้างความผูกพันผิวผิวทางกายแค่นั้นการทําบุญอาจทําได้ที่บ้านขอเพียงปฏิญาณร่วมกันว่าจะทําวันนี้ให้เป็นจุดเริ่มย้อนสอนกิเลสเช่นถ้าเคยพูดไม่ดีต่อกันถ้าเคยไม่ฟังกันถ้าเคยเตือนกันไม่ได้ ก็จะหันมาพูดดีต่อกันฟังกันและเตือนกันให้ได้การตกลงกันเพื่อความรักเหมาะสมแล้วกับวันแห่งความรักส่วนการตกลงกันเพื่อความใคร่ไม่ได้คุ้มกันเลยกับวันแห่งความรักกินเหล้าด้วยกันร้องเพลงด้วยกันสวดมนต์ด้วยกันลูกเผลๆ เหมือนมีสุขร่วมกันมีสายใยผูกโยงเหมือนเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วจิตโยงใยในแบบที่ต่างกันมากกินเหล้าเคลิ้เคลอมมืนเมาหรือกระทั่งขาดสติร่วมกันความผูกพันจะก่อตัวในทางอารมณ์ดิบอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ผิดเพี้ยนเช่นรักกันง่ายโกรธกันง่ายไม่ต้องมีเหตุผลมาก เพราะเหตุผลถูกเคลือบด้วยอารมณ์บิดเบี้ยวอยู่ก่อนหรือไม่ก็พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะโกงกันเองเพราะน้ำใจผสมอยู่ด้วยน้ำเมาเอาแน่ไม่ได้ร้องเพลงผสารเสียงรื่นเริงใจหรือกระทั่งเกิดพลังชีวิตอันสดใสร่วมกันความผูกพันจะก่อตัวในทางอารมณ์สุขสันต์อารมณ์ฝันอารมณ์สามัคคีปองดอง จึงพร้อมจะยินดีร่วมด้วยเมื่ออีกฝ่ายเป็นสุขเพราะความสุขที่เคยมีร่วมกันเป็นฐานนุนให้เกิดอารมณ์ร่วมไปด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ยังอาจพลิกผันเป็นน้อยใจได้เพราะเมื่อต้องเป็นฝ่ายแสดงความยินดีไม่ได้มีส่วนร่วมสุขนานเข้าก็เหมือนถูกทิ้งให้เงียบเหงาหรือเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว สวดมนต์ร่วมบรรยากาศกศักดิก์สิทธิ์ช่วยกันถักหอกระแสะเสียงสนอโสดปลุกสติเหนี่ยวนำการลัดกันให้เกิดมโนภาพความพาสุขความผูกพันจะก่อตัวในทางอารมณ์สุขสงบอารมณ์เย็นรื่นอารมณ์สบายอย่างมีสติเช่นพร้อมจะทำกิจอันยังความสว่างทางจิตร่วมกันจิตใจกันก็พร้อมจะกลับฟื้นคืนสติได้เร็ว เราเคยช่วยกันปลูกสติปากไว้ในการละกันมาก่อนหรือพร้อมที่จะเกื้อกูลให้เกิดรูปชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองเพราะเคยยังจิตของกันและกันให้รุ่งเรืองไว้ก่อนในความเป็นจริงสิ่งที่มนุษย์ทําร่วมกันสร้างสายใยผูกพันมีความสลับซับซ้อนรักคนกันระหว่างดีกับร้ายแต่อย่างไร ก็ยืนพื้นอยู่บนมูลฐานสำคัญคือความสว่างทางใจอันเป็นกุศล ร, ร่วมกันพึงหวังการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขส่วนความมืดทางใจอันเป็นอกุศล ร, ร่วมกันพึงหวังการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นทุกข์ความรับที่คุณคู่ควรไม่ขึ้นอยู่กับระดับความอยาก ที่คุณสรรหารักแบบไหนให้ตัวเองจตขึ้นตรงกับระดับเมตตาที่คุณมีให้คนอื่นเป็นประจำได้รับความรักอย่างไรก็คือการรักกรรมที่เคยก่อไว้อย่างนั้นความรักคือการก่อกรรมความรักชักนำให้คิดดีกับใครก็ได้ชื่อว่าทำบุญกับคนนั้นความรักชักนำให้จ้องเอาเปรียบใคร ก็ได้ชื่อว่าทำบาป ก, กับคนนั้นความรักคือการก่อกรรมเมื่อมองความรักเป็นเรื่องของกรรมและการรับผลแห่งกรรมคุณจะเห็นโลกเห็นความรักต่างไปจนสิ้นถ้าไม่สร้างเหตุแห่งรักด้วยความเพอ้อฝันก็ยอมได้รับผลแห่งรักด้วยความเป็นจริงคือสร้างเหตุไว้อย่างไรก็รับผลไปอย่างนั้น ก่อกรรมร้ายใจก็ร้ายเกินจะรักไหวก่อกรรมดีใจก็ดีพอจะรักได้ความรักแบบหญิงชายอาจเป็นเรื่องของกรรมเก่าแกล้งจับคู่ให้แต่ความรักแบบเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนที่คิดเผื่อแผ่ให้แก่กันเป็นเรื่องของกรรมใหม่ที่ต้องฝึกสร้างเองและรับผลเองทันตาในชาตินี้ แรกๆดูเหมือนความรักแบบเผื่อแผ่คือการต้องตัดใจยื่นให้ต้องฝืนอภัยต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะใจที่แห้งแลง้งอย่างไร้น้ำจึงยังไม่เห็นเหตุผลสมควรที่จะให้ทานแต่หลังๆจะค่อยๆชัดว่าความสุขคือผลตอบแทนที่แสนคุ้มสุขที่ได้ยื่นให้สุขที่ได้อภัยหมดใจสุขที่ได้เปรียบทางจิต เราะมีน้ำใจไว้ทําความชุ่มชื่นกับตัวเองไม่ต้องสแสวงหาความชุ่มชื่นมาจากใครอื่นอีกมิต่คนอื่นจะกรูกันเข้ามาขอรับน้ำใจจากคุณกันทั้งเมือง